พุทธสถิตย์ข้าตังฟังที่เคารพค่ะในเวลาที่เราจากวัดป่าดอน FM 106 ครอบครัวขาวนมัสการกันทั้งคะใช่บาลท่านพูดถูกนะร้อนใจเอ่อธรรมะของพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อใช่ไม่เบียดเบียนใครค่ะเพื่อให้พ้นจากทุกข์ กระทาภิสูจน์ทั้งหลายที่ที่เมืองสาวัตถีนั้นบอกว่าเราประกาศคําสอนเนี่ยเอาคําสอนที่ค้นพบ เย็นบานงั้นก็เท่าค่ะตัวเองก็จะอยู่ใน น่ะค่ะก็หันหน้ามาคุยกันพอคุยกันไปคุยกันมาอืมก็ๆเบื่อๆ การที่ได้ไปช่วยงานบุญบ่อยๆเนี่ยก็เลิกพฤติกรรมบางอย่างเช่นการผิดศีลข้อเลยโดยปริยาย 2 <ม. S 1> อืมอันนี้มีค่ะร่วมเช่นงานกฐินงานๆเนี่ยจิต ความตระหนี่พอมันออกมากออกมากเข้าเอ่อจิตใจเรา 2 <Okay. S 1> ปีเดี๋ยวเค้า <Okay. S 1> แม่ฉันสนับสนุนไปมากฉันก็ไปนั่งสมาธิบ้างดีกว่านะเออก็มานั่งสมาธิอ่ะทั้งๆที่อืมเป็นกระแสแห่งบุญ การเรียนแบบเรียนแบบเอ่อท่านเรียนแบบสิ่งที่ดีๆอันนี้ดีแน่เนาะอ่าอย่าง ได้ดูนะให้กําลังใจในอาชีพนี้นะคะคือเหมือนก็ปรับพฤติกรรมปรับบุคลิกภาพให้กับคนใหม่ซึ่งมีชื่อเสียงมากเลยเจนวันๆอืมเช่นคน ถ้าเราทําด้วยความมุ่งมั่นแบบเนี้ยอีกหน่อยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีตามต้น copy โมซัวก็จะได้ไอ้แบบโมซัว copy เข้ามาเนี่ยเอ่อถูก พระพุทธบอกสอนเนี่ยฉันทํามาอย่างงี้เธอทําตามสิของราคะโทสะโมหะๆคนจะได้ฟังกันมากคือเรื่องของกาลามสูตรนะที่ว่าอย่าพึ่งเชื่อ จึงเห็นว่าเค้าบ่บอกตามๆกันมานะหรือว่า อ่าทําตามตามกันมาหรือฟังเค้าว่าเรียนนี้เป็นปุริชาเราจึงทําแต่เพราะเหตุ เอ่อตรงนี้หลายคนอ่านไม่ 2-3 ย่อหน้าสุดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอ่าๆไม่ว่า อ่านให้ยาวอีกนิดนึงไม่ได้อ่านยาวก็ท่านไพบูรณ์อ่าน นะด้วยเหตุสักว่าตรงนี้หมายความว่าเอ่อเราอย่าเพิ่งลงใจลง เอ่อเราอย่าพึ่งคําว่าเชื่อตรงเนี้ยแหม่มันแปลเป็นภาษาไทยแล้วอ่าแล้วค่ะแล้วพอ อ่าขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่เคยได้ฟังเต็มๆใน 1 อย่า 2 อย่า 3 อย่า อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสัก 5 อย่าถือ 6 อย่าถือ 7 อย่าถือเอาว่าจริง 8 อย่าถือเอา 9 อย่า ฟังดูน่าเชื่อและศีอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็น ใช่มั้ยค่ะเอ่อซึ่งตรงนี้คือเราค่ะแล้วก็อย่าลืมอรรถรักว่าถ้า ได้ไปอีกเรื่องใหญ่ๆนึงทีเดียวนั้นเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยอยู่ในสังคมค่ะเนี่ยเราเนี่ยส่งกันมาทาง เรื่องนี้คงจะต้องใช้ปัญญากันเยอะๆใช่ๆอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะลงใจหรือจะ อ่ะไปตามเค้าน่ะชักชวนถ้าเผอว่าเราไม่มีการ 1 กรณีนี้ 2 <ใช>ถ้าเผอว่าสิ่งนั้นมากระทบเราล่ะถ้าเรามีโยนิโสมนสิการ นั่นคือการทำในใจโดยเย็บคายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นสัมมาทิฐิค่ะอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบเนี่ยเหมือนกันค่ะก็ตามมา เรื่อง ยonisomanasikarn เนี่ยเยอะไปหมดเลยนะคะอืมใช่เอ่อเกณฑ์ราย 4 นั่นเองนะใครโคสนาชุนเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งมานะเราก็เอามาเปรียบเทียบพิจารณา โยนิโสมนสิการในตามเกณฑ์เนี้ย 4 หมายความว่าต้องเนี่ยมันเป็นอย่างไรใช่ของเรื่องนั้นว่า การดับของมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรดูมั้ยคะการจบพิจารณาซึ่งตรงที่จะจบใน 8 นั่น มรรค 8 จะทํา 8 จะทําให้ไป to 8 จะทํา 8 จะทําให้หมด 8 พูดง่ายๆคือศีล 8 มันเกี่ยวกับอะไร 8 เรื่องบ้าน ค่ะนมัสการขอบพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งเพราะนาคพงนะคะรายการนี้ เป็นตัวตั้งเราหาทางออก 8 แล้วเรื่อง